ฉันก็คงไม่มีอะไรที่ต้องสูญเสียไปมากกว่านี้แม่รู้ตัวว่ามันไม่ดีแต่คราวนี้ฉันยอมทำอย่างนั้น จะไมยม Time. อดทนไว้